มุนตั้งใจฟังคงานโยมอะตั้งใจฟังคือการับพวกเฮามันต้องมีจิตใจหนักแน่นการงานซึ่งทุกอย่างถ้าหากเขาบ่มีจิตใจหนักแน่นการงานเกิด โมเดิมนครับโวกราวหน้าถ้าว่าจิตใจหนักแน่นหรือมีผมพอใจซบใจหรือลักในงานอ น, นั้นทํทำงานอ น, นั้นโบเมื่อยครับโบเมื่อยทำได้อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้า ต, ตอนเย็น เขาพอใจในการในงานของเขาจึงว่าโบเมื่อยโบทุกถ้าหากเขาโบพอใจแล้วคือการงานนั้นบอกเราหน้าเขาไปทํากับเมื่อยเพราะเขาโบได้รักงานนั้นโบพอใจในงานนั้นเมื่อยเมื่อคนหนึกเหนื่อยเมื่อยอลามีแล้ว บสิ่งหนึ่นงนนั้นคนเรามันต้องมีความรักและความพอใจในการงานของเราจริงๆที่ทำได้ก้อนที่จะทำได้ก็ต้องมีการฝึกหัดดัดนิดสัยคนเรามันต้องมีการฝึกถ้าหับกฝึกหัดดัดนิดสัยแล้วมันเป็นสันดานเดิม สันดานเดิมนั่นมันมีอยู่มัตตุขนบวา่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์มนุษย์มักชอบเป็นคนที่เกียดเกลียดค้านทํางานน้อยเล่นมากหนอนมากนั่นเป็นสันดานของคนเกลียดค้านเป็นสันดานของสัตว์ ถ้าหากคนใดรักการรักงานนี้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยการงานสิ่งที่เร า, อ า, มมา้อมทามานั่นมันไม่ว่าดัดแต่นิสัยใครกันเมิดทุกคนครับบว่าหยิงบุว่าสายบุว่าพระสงฆ์องค์เนรครับเป็นนิสัยันถ้าหากเขาได้ อยูด่ดีกินดีนอนดีสบายใจทุกมันทุกใจกิเลขมันไม่เป็นทุกใจสติปัญญาไี่ยังยงนั้นเหา่าไม่จรงว่าอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกเพราะเขาบหุหนั่นเองเมื่อเห่าเห็นทุกรู้ทุ ก, กเข้าใจทุกแล้วเหาจิตพยายามปด เปือ่องตัวเขาออกจากทุกข์จริงๆทุกนั้นเขาเข้าไปยึดมันเขาไปถือมันแบกหากอยู่มันก็เลยทุกครับถ้าหากเขาโบไปยึดโบไปถือมันโบแบกโบกหาบมันป่งมันทิ้งผมชกบกเกิดขึ้นมาทีเมื่อวานนี้ มีผู้อำนวยการขคมข้าราชการขุ ข, ข, ออขบวบขจ้นเขาจะให้ลูกน้องเขาเา้ามาแล้วสองครั้งขาจะไดาอ่านหนังสือของพวกทองของแล้วขาจะามีข้อสงสัยเรื่องการเจริญสติกับรรสมาธิ พวกหอกจําไว้ให้มันดีครับอันนี้เป็นการพูดตอบปัญหาของคนจะแก้ปัญหาของคนตัวเจริญสติเจริญสมาธิหรือธทำสมาธินั้นโบต้องทํานะครับแต่พอเคลื่อนไหวให้มันหูเมื่ออันหูเมื่อนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิคนหอนเคลื่อนไหวโบหูมื่อ ที่ไปทำสมาธิอยู่เท่าไ่กับบมีสมาธิที่ไปนั่งภาวนาอยู่เท่าไ ร, ราก็แตาสร้างบูมีส ต, ติเขาเป็นบูผู้มือ่อโตเลยดีกาภาษาธรรมคุนเรียกว่าโมหะภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลงตัวลืมตัวบกกำหนดตัวเองฉะนั้นคนมันจึงทำไปตามใจสอบมักจะเฮ็ดจะเฮ็ดไป นี่ค่ะว่าคนบ่มีสติถึงจะเป็นมีสติกว่ า, าสามสากคนบ่มีมารยาทบ้านผมบ่มีสติบ่มีมารยาทคนมีสติมีมารยาทรู้สึกตัวการทําการพูดการคิดการนั่งการนอนการยืนการเดินเป็นว่ามีสติรู้สึกรู้สึก ตัวยู่ถึงเนี่ยมันก็ควรมีสติเนีย่ยนั้นการทําการพูดนั้นจึงอ่บุคคลผ่านผิดจะมีความรักตัวเองอยูเสมอสอบในการงานของเขาสอบกิริยามารยาทของเขาเพราะเขาฝึกอย่งสั้นเนีย่ยคนจึ่มันบุค่อยสอบฝึกตัวเองมันก็ตด้นิสัยตัวเองเมื่อไปทําการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเกิดบุคอใจ มีความทุกข์ความเซ็งคนว่าสมัยนี้ว่าความเซ็งบ้านผมเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนสับสว น, นวุ่นวายเพราะมฝึกหัดตัวเหเคืออย่างย่านเต็นเน็ดเหนื่อยเมื่อยลาโบย่านน่ะมันเมือยครับมันเมือยเพราะว่างานมันโบเลียอไปจากคือเขาไปอยู่กับสังคมกรเดือดร้อนเพราะว่าเหาเอาใจใจเหา ถ้าหาเขาวางภาระที่งหมดทำงานเพื่องานซื่อๆอย่างที่ผมว่าทำงานเพื่องานไม่เป็นทำงานเพื่อตัวเขาได้ทำงานเพื่องานหรือทำเพื่อตัวเขากระแนงทาเพื่อเพื่อเพื่อนฝูงประเทศซานบ้านเมืองกระแนงทำซื่อๆนี่เป็นหน้าที่ของคุณมันต้องทำงานทุกคนเพราะมันกินเรียกคนมันกินมันนอน มันไปหั่นมานี่มันเป็นนาทียังว่าหลักฝึกหัดไว้ทุกทุกคนก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เขาต้องพยายามศึกษาตัวเขาให้มากการศึกษาตัวเขาเนี่ยค่ะพจน์ว่าเอิญศึกษาธรรมชาสตร์นะธรรมศาสตร์ของมันเป็นอย่างสั้นจึงว่าการฝึกสติไปทําสติทําสมาธิทํากรรมฐานธรรากับธรรมศาตร์ของมัน ผมได้ทำมาแล้วเรื่องมูนีครับพอสมควรเรื่องพุโทโธธรรมโมอ拉หังพองนุกนับหนึ่งสองสานอาณาปานสติเป็นอยู่ครับสงบอยู่ศึกษาธรม ร, ร, รมศาสตร์แบบนั่งกระทูกอยู่ <c oughs> แต่มันบวกเขาใจแบบที่พมจะนำมาเล่าสูา่ฝังมอนีนั้นศึกษาธรมรมศาสต ร, ร์ทำสมาธิกับธรรมศาสตร์ เป็นการเจริญสติกับธรรมชาติคือมันเคลื่อนไหวโดยวิธการรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิเป็นธรรมชาติของมันสั้นให้มันเห็นธรรมชาติของมันสันจริงๆครับโอ้ธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นยังสงเนี่ยเราไปเห็นเรืไปดิ เมื่อเห็นสิสสภาพการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนั่ น, นะครับมันเป็นลูกมันเป็นน้ำมันเป็นทุกทุกจึงวทนไม่ไหวเพื่อนมาเขา พ, พูดเจ้าเป็นสอนว่าทุกคนไม่ไหวมันทนว่าไหวหนังอยู่ซื่อโบไรครับเขาก็เห็นสภาพธรรมชาติของมันเป็นังสีเนี่ยเขาก็รู้เลยแบบนี้รู้เลยเมื่อเห็นทุกแล้วบ่เนี้ก็เห็นส ม, มุดหลบรู้เข้าใจ เรื่องสมมติพีเทวดานี่รู้จริงๆครับมันรู้มาจากธรรมศาสตร์ธรรมศาติอยู่ในธรรมศาสตร์สติปัญญาหรือธรรมศาสตร์ที่จะทําให้รู้มันมีอยู่ในคนทุกๆคนบริเวณถ้าทําทูก ค, นนกครับถ้าทําบุญทุกโบสบูรุษนี่มันเป็นดังนั้นเม็ดข้าวทุกเม็ดผมว่าเม็ดข้าวบ้านผมทางภาคกลางอาจจะเม็ดข้าว จะเป็นเข้าเจ้ากระสางเข้าเหนียวกระตานถ้าเป็นข้าอ้วนเข้าติ่เป็นเข้าเปือกครับเอาไปพเพาะาไปปลูกแต ก, ม, ตออกมดทุกเนตออกหน่อมดทุกเนตถ้าไปเพาะไปปลูกใส่บนสุนบนหญิงถ้าไปเพาะไปปลูกบนมันแห้งบนมันไม่มีนม้ำอาจจะบวออกก็ได้หรือก้นานออกก็ได้ ถ้าไปปลูกใส่บนเตาไฟบนหัวดังไฟไม่สำครับดังนั้นการฝึกการอบรมท่าทำโบถูกแล้วก็ทำนานครับเสียเวลาถ้าทำถูกแล้วก็ได้ผลดีมือหู้จักสมมุติแล้วก็บูติสสมมุติทเท้กระยุ่กับสมมุติครับอันนี้แสดงบรรยุกับการกับงาน แสดงว่าทำการทำงานได้ทุกอย่างแต่บบติดโบทุกหน่างานอันนั้นขาอหัวจักสมมุติอันนั้นอน่างนะครับมันเป็นหน้าที่ของทุกคนทำยังนั้นสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติเปสสมมุติสัตว์เดรัจฉานสมมุติอสุรกายสมมุติพระอิน์พระผมสมมุติมนุษย์สมมุติพระอรียเจ้าก็คือกันทุกสมมติแต่ว่าเป็นปรมาธ พระเจ้าสมมุติบัญญัติและปรมาัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัตินีน่จกสมมุติโบราณทั้งเป็นปรมัดกันยังเอาสมมุติไปว่าแต่ว่าสมมุติอันหนึ่งสมมุติขึ้นซื้อว่าซือ้อสมมุติผีสมมุติว่าเอาซื้อผีจึงบเหินบุมีตุลบุมีตูคนใด้บุมีตาทิพย์บเห็นผีเท่ๆครับเมื่อหุ่จักรูปนามนี่มีตาทิพย์ขึ้นมาลง มีตาทิพย์นิดน้อยเห็นลูกเขาจะโอ้ตาทิพย์อันนี้มันบาได้หมายถึงว่าจะไปเห็นผู้อื่นเห็นตัวเหาเบิ่งตัวเหาสภาพและสภาวะตัวเหาทําดีทําชั่วมันเห็นอันนี้สิโอ้นี่ตาทิพย์มันเห็นันสิหูทิพย์มั น, นฟังการพูดการพูดดีพูดชั่วพูด อันใดของหูจักลบไปก่อนนั่งหูหทิพย์โบมนตาที่ไปมองเห็นตับไตใส้ปอดคนนั่นคนนี้โบเมนหูทิพย์คนไปนั่งเออเขานั่งอยู่นี่คนว่าไปใกล้คนได้ยินอั น, นั้นกับโบเมนาตาทิพย์หูทิพย์มันออกนอกตัวไปมันนึกเป็นคนลืมตัวไปจซะครับพระพุทธเจ้าควรสอนเยาวท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิด คนเฮามีสติยุททุกเมื่อและจะไปเห็นคนอื่นได้บ่นันก็บูไปเห็นคนอื่นไปเห็นตัวเฮาแล้วนี่เป็นวันนั้นเมื่อหู้จักสมมุติแล้วก็หู้จักศาสนาโลกศาสนาแปลว่าคำสังสอนของทานผู้ลู่จึงเอาศาสนามีร้ายอย่างเพราะหูจักจริงนี่นศาสนาเ น, นี่คนได้รู้อันเดเอามาสอนซ้อ น, สอนใส่หูคนฮั้นคนจะมีการแก้ไขฝึก ดับแปนเพราะทุกคําสอนมาแล้วดิแสดงการฟังนั่นจึงอยู่ว่าฟังแล้วก็เบิรึตัวเขาเบิรึตัวเขาแล้วก็ฟังคําพูดแล้วก็เบรงึมู่บิรึเพื่อนนี่เป็นศาสนายอะโอ้ธรรมะศาสนาเนี่ยโบได้หมายถึงตัวหนังสือโบได้หมายถึงพระพุทธรูปโบได้หมายถึงโบวิหารอย่างเดียวดิ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 แล้วศาสนาพุทธอรแต่ความจริงตัวศาสนาะนี่ยมันทูกสมมุติว่าไปซื้อถ้าหากเป็นปรมัตถ์แล้วก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาฝึกหัดดัดนิ่ใส่เหาพูกกับธรรมศาสตร์นั่นแหละตัวพุทธศาสนาคันผมเข้าใจอยงนีครับเมื่อรู้จักศาสนาแล้วก็รู้จักบาเปเลยเดียว รู้จักบุญเลยบาปคือยังบาปบาปนั้นทั้งที่ทาบุญกับทำสร้างทําสัวพู้สัวคิดสัวเป็นบาปหลยบาปมัายุคุณเหมือนว่าเห็นเป็นตัวเพียงโตครับทําบุญกับทำสร้างนี่ครับมีเราอยู่ทํากรรมฐานกันตามทําวิปัสนาญาตากัตามเป็นบาปเป็นบาปเพราะมันทําสั่วผู้สัวคิดสัวอยู่นยบนโลก อันตัวรูป ก, กายอันนี้นะตัวรูปตัวนามมันบูรหุจักไปยังเอาไปเบิ่งแม่คนตายมันจิีเนียนจิตจริง เ, เป็นบอสเอาเข้าไปให้กินมันกระโ บ, บกินเป็นเห็ดยังมันกระโบเป็นทัน้งหมดเป็นทอนไม้ทอนฝืนเป็นดินซื่อๆนี่นะครับเป็นอาหารของสัตว์ตัวจิตวิญญาณของเห็ดบอสโบเห็ดแล้วที่เห็นดยังไงตายแล้วไปใส่พวกจิตวิญญาณบอรู้สึกแน่นี่แหละบาปบุญมันหุจักอยู่ที่ครับ พระเว่ามีตาทิพย์หูทิพย์มันอยู่นี่เลยครับบุมีไก่จักน้อยที่มโนจักอันนี้แล้วก็มัดสงสัยเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตสัตว์เนรสนุสระกายที่ผมมัดเทะครับบบมีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบโบสงสัยเลยครับ การกระทําอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันสอนให้เองรู้จักว่าทุกสุขรู้จักเองเพราะธรรมชาติมันสอนให้ดังนั้นศึกษาธรรมะจริงศึกษากับธรจรมชาติมันจริงๆริงนี่นะครับผู้หญิงก็มีธรรมชาติเช่นนั้นผู้ชายก็มีธรรมชาติเช่นนั้นพระสงฆ์องค์เดงก็มีธรรมชาติเช่นนั้นคนรวยคนจนก็มีธรรมชาติเช่นนั้นคนมัน ก, กันหมด คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคามร์คนยวนคนลาวคนอินเดียก็มีท่างสันครับแต่พระพุทธเจ้าเ ป, เป็นคนที่ทำจริงพูดจริงครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปเรือยซึ่งใดมันโบได้ประโยชน์แล้วทันเปลี่ยนลดเขาได้ยินบ่ไปทำกับอาจารย์ได้สมบัติแตกบบเมนขางเนี่ยก็เปลี่ยนลดหนีลด ออกจากหันมาก็มาทําทุกข์กะกิริยาบุกินขา้าวบุกินน้ําอันนี้ก็บริเวนทางเปลี่ยนลสเป็นสังตอนนิส่คนมันต้องเปลี่ยนแปลงดัดที่มันพูกนิสัยกับธรรมชาติมาจริงจึงจนท่ามาทําทางจิตที่แล้วแนีคําว่าทําทางจิตจิตพาเหตุหรือลูกพาเห็เหุเฮ็ุอย่างกระด็เขาก็เห็นสันว่าก็จิตใจที่พาเหตุจิตใจเขที่พาเหตุมันทําดีทําซั่วแบบ น, นี้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 เนี่ยให้หู้จักแบ่งสรรชนะกันกิเลสมันชอบอย่างไดสมันซอบไปตามใจมันมันอยากเห็ดอย่างมันเห็ดไตห น, นะะ่ะเขาอึอนกิเลสกิเลสแน่นจริงว่ามันทุกเมื่อมีคนตําหนิแล้วปุ๊บยึดถือคนรด่นในกิเลสคนนบัดนี้สติปัญญาได้สติปัญญาในบโหัวาเขรู้จั ก, จกสมมุติแล้วเรารู้จักวิธีทำทุกแง่ทุกมุมแล้วนี่พนว่า รู้จักแล้วเอาไปใส่กั บ, บาการงานอะไทุกอย่างทรรมะนะแต่เขาว่าให้ระวังแต่ว่าผมรู้นั่นมายถึงทำผิดด้วยสคู่ถ้าทําผิดแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาคือเม็ดข้าวเนี่ยเขาเอาไปเพาะใส่ไปปลูกใส่เต่าฝอยแล้วบ่มีเวลาทีได้ปลงงแล้วบางทีไฟยไม้ซ้ํานี่อันนี้การณ์ถ้าทำให้ไป น, นานๆก็ตายซ้ํากันี้ครับบ่มีโอกาส ถ้าไปเพาะใส่บนซุ้มบยเย็นได้เมลข้าวนหนึ่งนมลน่แตกดอกออกุดมารู้จริงๆคนเราคือกันถ้าฝึกหัดดัดนิสัยดีๆแล้วอยู่กับผู้ที่สลัผู้รู้จริงๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จริงๆเป็นอไไปใส่กับชีวิตได้จริงๆดังนั้นต้องหลักการหลักงานหลักคำพูดหลักหน้าที่ของเรา ทำงานเจียงโบอิดโบมือยคนใดโบรักการโบลักงานแล้วก็มื่อยอทำ น, น้อยกว่าทำร้ายเ ป, เป็นอย่างว่าวัตตะสงสารยืดเหยานานเป็นว่าคนธรรมดาเขาถึว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหมดแดงแต่ขบด้งบ้านขบเปนอ่า เปนวัตะาสงสารคือมุดแดงแต่ขอบดงนี่บมีทางออกวนเวียนอยู่่อันนั้นเป็นวัตะาสงสารของคนบรุรุวัตะาสงสารแบบพระพระเจ้านี่โบมนทางรับหมายถึงความคิดในรูปเดียวมันคิดเรื่องสั้นตลอดเวลาครับเนี่ยมันบมีาตายเนาเข้าลงไปคุณนี่อันนี้วัตะาสงสาร ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยูส่ส น, นะมันคิดนั่นเนี่ครับมันเกิดมันตายเนวัตตะสงสารในทางผู้มีปัญญาคันผู้บุบีปัญญาเนะี่กล่ว่าตายเนาเข้าลงมาคุณแล้วตายแล้วบอกเกิดอีกเตื้นตายแล้วเปิดตกนรกไปสวรรค์แล้วกลับไบอเกิดอีกตื้นเนี่ยอันนั้นคนเนวัตตะสงสารคนที่บุบีปัญญานะั่น วัฏฏะสงสารคนมีปัญญากำหมายถึงผมคิดมันคิดจะมองปุ๊บเห็นภาพมันเป็นอย่า ง, น, น, างนีเ้เรียกวัฏฏะสงสารไม่ใช่ต่างกันบัด น, นี้วัฏฏะสงสารที่มันทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาในบัด น, นี้สมมุติต่างคืนคนเจ็บใครได้ป้วยหรือเป็นอย่างกระทำสร้างนอนโหลับ โอ้ยนานห้องนานแจ้งแทนนอสิอยากให้หงายแจ้งเนี่ยสาหรับคนนอนบ่หลับตรงกลางคืนมากับคือสัตว์หลายสิ่งเพรามัน น, น, น, น, น, อมนอนบ่หลับเนี่ยครับมันนานห้องนานแจ้งเมื่อยพลิกเรียนนันเรียนนี่บอกหงมวยแจ้งชังกเถือโอ้ยปัญหาเจี๊ยหงนอน่ัวมันปมเป็นอย่างไบัดนี้ผู้แต่นอนหลับอยู่เป็นคนนอนหลับ เพ็ดเดี่ยวหุงรถตื้นนึ่งนึกสองตื้นนั่นะหุงแล้ววุ้ยหุงงายเทนนอกไประวันนี่มันจึงผิดกันนะท่านุกคนคัไม่จริงว่าทำงานมันผิดกันไม่ได้เป็นว่าเอิ้นวัตตะสงสารทั้งเมืดอสำหรับผู้นอนบหลับนานๆหุง น, นันน้นแกงคนนอนหลับดียู่ดีกินดี น, นั่นเน่หุงงายเป็นอย่างกัน บันนีตสำทางเขาเดินปกล้ๆนี่ถ้าหากว่าเขาาโบมือโบอิดพูดไปคุยกันไปโอ้ยหอนง่ายแป๊บเดียวหอนตรงทางมือนึ่งคือกันสิบสองชั่วโมงคือกันคนใดที่ไปแบกไปหาบมือไวสิโอ้ยนานหอนเท น, นอ่วเ่าวต่ควมจริงคากันค่าห้า คนที่เมื่อยเดินไปคนก่อหอดเท่ากันคนที่โบ้เมื่อยเดินก่อนแต่ว่าผู้ใ ด, ดไปยึดไปถือนั้นเป็นว่าหางยาวไกลเพราะคนเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นว่าถ้าหากเขาบนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปโดยความสบายพูดไปคุยไปรู้สึกตัวไปอยู่กับการกระทําของเขาไปแป๊เดียวกพอหนึ่งสิบสองชั่วโมงนี่ปึ๊บเดียวเท่านั้นครับจะนั่นจีว่าไห้ลับ การงานของเขาทุกอยา่างกันทาของรักการรักงานของเราเดียวโมดีที่เหนื่อยนเหนื่อยมาทําพื่อคนสนุกดังนั้นทำมาําสอนของพระยนตร์สอนคนทุกชั้นทุกไหลทุกศาสตร์ทุกภาษาทุทกเพ ศ, ศจะเป็นเพศหิ่งก็ได้เพศชายก็ได้เป็นเพศใดใ ด, ดมัด โมจำกัดสั้นวันณะดีชัวนี่อยู่กับบุคคลผู้ที่ทำธนัตดังนั้นบวกกําหนดเสื้อสะอาดตะกุ น, นย่างมันอยู่กับคนซื้อนี่ด้วยครับโบเสว่าเสื้อสะอาดของพม่าเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียคุณจึงจะรู้บเนี่นครับคนไทยก็รู้คนจีนก็รู้ฝรั่งเศสก็รู้อังกฤษก็รู้อเมริกาก็รู้เยรอยรยมันก็รู้ คนยวนคนลาวคนคาม็งคนในเลวรู้มัเพราะว่าธรรมะอันนี้มันอยู่กับคนทําให้ทุกขสุขมันอยู่กับคนต่างแต่ว่าคนนั้นมีสติปัญญาต่างกันเรื่องสูงต่ำดำขาวต่างกันเป็นแต่ว่าเรื่องธรรมะนั้นแทบุต่างกันจกน้อยเหลือบถ้ารู้ก็รู้อันเดียวนะมัดยกพระพุทเจ้าคนกระู้ธรรมะอันนี้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 เขารบตัวของเขานี่แหละทําดีพูดดีคิดดีอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นเพื่อ น, นเขาลบผมไม่ต่กล้าไปไว่ายอยู่นั่นอันจะกล้าไปไว่ายนั่นมันเรื่องนึงเป็นวัฏภายเป็นวัตถูภายนอกคนมองเห็นตัวเขารบพระธรรมจริงๆนั่นคือตัวของเห็ุตัวเขาเีตบอให้มันทุกข์เกิดขึ้นนี่แน่เป็นว่าทุกข์เกิดขึ้นันเป็นอยังโยกก็อย่างวานะมันโขก เพราะย้่าศึกษากับธรม ร, รมชาติของมันจริ ง, รงๆธรรมชาติเป็นสร้างให้แล้วอย่างโมขันหนงังฟังผมวาาอยู่ดีๆถาบไม่นี่ตอบให้ฟังเลยไปเป็นยังไงจิตใจของโมงคนเดียวนี้เสื่อๆอยู่เอ้าผูใ้ใดเป็นยังไงมาดูเฮุโมนั้นเป็ น, นาในจิตใจ ใเสือเยื้อให้จังเลยให้มันนี่แหละเขาธรรมศาสตรมันสร้างให้จริงจริงแล้วทําการทํางานจะได้บวกขันมันเฟยเอย่างเสียแล้วจิตจีบเมยบ่เ น, นี้ยเรื่องอย่างบวชเหตุอย่างบวชศึกษาเป็นอย่างเพราะเขาบอกเข้าใจขาเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก็เลยเกิดขวบูลูขึ้นม ของน้อยๆเนาะทำสซนของพระเจ้าสอนน้อยๆรูหรูแล้วก็ของสบายๆรูหรูของสั้นๆอนีดใจเดียวทำได้รูจังหวาวัตตะสงสารยืนยาวนานเพราะว่าคนโบลูวัตตะสงสารเป็นว่าเพื่อว่านอนบ่หลับมันก็ยาวไป บันนี้ทางเยาวเหาวันนี้คิดมีแต่เมื่อยเหมือนกันนานทอดงานถึงวันนี้ถ้าหาวาำเมิองซี่อยู่เลยโบเยาวบบสั้นน่บยืนบนเนื้มันเซ่อเซ่ออยู่มีหลักศณสนานี่แหละคนพิจารณาควรศึกษาควรสุขัดรู้แล้วก็ต้องสอนกันวันนี้พุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้านั้นจะเจริญงอกงามขึ้นไปก็ต้องอาศัยบริษัทซี่นนี้ และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยตามคําสอนของพระเจ้านั้นอยู่กับต้องจเจริญมั่นคงถาวรไต่บัตรนี้ในทางตรงกันข้ามคําสอนของพระเจ้านั้นะจะเสื่อมจะอันตรธานหายไปนั่นก็เพราะว่าบริษัทซีเนี่ยโบประพฤติดีโบปฏิบัติชอบโบอยู่กับพระธรรมวินยัยเป็นไง โมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นจิบหายไปอาศัยบุริษัทซีบริษัทซีเนีพดพนว่าภิกษุทิกสุเนสอุบาสกอุบาสิตาบันเนพมมาว่าพูดเดียวบริษัทซีเนี่ก็คือพิกษุกับอุบาสกบ่อยไหมผู้เดียวกันนี่บริษัทซีอันนี้อุบาสกกับผู้สายเนี่ พิสูจนีบันี้นก็ผู้หญิงอุปสิการแบบนี้บริษัทสองอันนี้ถ้าหากพูดทันซั้นอันบริษัทที่นั้นวาแบบผมว่านี่ถึงอัตจิพิดอัดข่มเข้าใจว่าผูกคำซ้อนของผู้เจ้านั่นน่ะอาจใส่ขนจะเป็นผู้หญิงกับสร้างผู้ชายกับต่างบริษัทหนึ่งนั้นโบหูโบหูจักของจริงในคําสอนของผู้เจ้านั่นถ้าหากไปเทสไปสอน สอนคนคั่วไปให้ได้ไหมสอนไปให้เฮ็ุอย่างนั้นทําอย่างนี้เก็บตัวเองบูมู้จักจุดหม่ปลายทางคนนี่แหละทําให้มันจิบหายครับบูมู้หัหไปสอนเนี่ยครับเป็นครับงี้บริษัทนี้บริษัทที่สองแบบนี้หูทํามาแต่หากบูสอนคนหลบลี้ไปอยู่ผู้นึงผู้เดียวเนี่ บริษัทนี้ก็บทําให้เจเริญและบทําให้เสื่มเจริญได้เฉพาะตัวเราผู้เดียวเพราะเราบุกภูกอันตรายไปท่านนี้ซื้อบทเจริญคําสอนขอพระเจ้าบทเจริญ บ, บริษัทบริษัทที่สามบริษัทโบฮูโบสอนเฉยนี่ยพนว้าซื้ออยู่ถนนหนึ่งถ้าหากเป็นอย่างกัน อยู่กินไปเสนะถ้าบทเป็นพระเป็นหนึ่งกเินไปเสนะเรื่องการทําบุญให้ฐานนั่นนะก็จิว่าทําบุญให้เลือกวัดจักบ้านให้เลือกพระอันนี้ผู้ท่าผู้แก่บ้านผมคุณสอนที่เป็นเลือกไว้อย่างไดของเหตุอย่างไดเขาจึงหููจักบุหูจักผมบุหูจักพ่อแม่สอนเราทำบุญให้เลือกวัดจักบานให้เลือกพระเนี่ยบุหูจักเลยมีวัดแล้วก็ทําบุญไปรูปพระแล้วก็เห็นก็ทําบุญไปรูปผม รบริษัททีซีบริษัทคนนี้เข้าใจสราบซึ่งตึงใจตัวเองแล้วอย่างนี้แหละคำสอนของุทธเจ้านี่บ่เมว่านนี้ว่าเรื่องผมหลัก คนเราต้องมีผมรักสนิดหนึ่งคือรักการรักงานเมื่อเรารักแล้วทำการทำงานก็บ่เบื่อบ่ห น, น่ายบ่สิ้นคันเมื่อเรารักแล้วมันเบื่อมันหน่ายเมื่อนสอนเตานี่ครับสีวากันเรื่องมันมีวิธีการ คนเราจะเหตุอย่างไปอย่างทำอย่างพูดอย่างก็ต้องมีวิธีทท้งนั้นโบมีนว่ตสว่ามันเป็นขึ้นมาทันที<ม>ต้องมีวิธีการอันหนึง่งเยอเป็นการปุกปุกจิตปุกใจหรือปุกตัวเองวนวิธีของมันก่อนที่จะเกิดความรักขึ้นมาต้องทำผมรู้สึกตัว ำคำขวมตื้นตัวเราลักตัวเรารูึกตัวตื้นตัวอยู่เสมอควมลักอะไรบุมวีว่าบูลืมตัวเวว ม, วมื่อบูลลุมตัวแล้วของสิ่งซิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละปรากฏเกิดขึ้นมาให้เราลักสมมุติทางโลก เราลักของสิ่งใดลราก็มั่นเบืงมั่นแหน่มั่นดูถ้ามันอยู่ไกล้วก็มันจับมันบายมันหุกมันถูเมื่อเราจับเราบายเราหุกเราถูกของของสิ่งนั้นเนี่ยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็สมมติบ้านเรามันหกหรือเหมือนลกบ้านเนี่ยเพราะว่ามันหก ขนภาคกลางหรือบนอื่นๆพระเจ้าก็ว่ามันรกอสมันรกมันสกปรกอะนกสินมว้าวันหยพอมันฮุกมันบดีอะไรสิหอมอวดมันปูแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ใส่ได้อันนี้ก็คือกันการพูดทุกสิ่งทุกอย่างผมด้วยหยพอมันสอบพูดเลือกตัวเอง เมื่อตัวเองเข้าใจยังเนยก็ต้องเอาความพูดของตัวเองนั่นแหละมาเวา้ามาทำมาแสดงความจริงใจ น, นั้นต่อโมต่อเกื่อนต่อคณะผักพวกทุกค น, น, น เ, เพราะว่าของสิ่งนี้แล้วมั น, ม, นมีทุกคนผมไม่จีฮิต เ, เล่นๆต้องฮิตจริงฮ็ดจังทำจริงทาจังพูดจริงพูดจัง ไปจึงปาปดผมทำผมรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวตัวเองทุกวิธีแล้วก็รักตัวเองอยู่เสมอถึงเวลาก็ต้องทำอยู่เสมอโ บ, บ้ป้อยให้เวลานั้นล่วงทิ้งไปบ้ยมันหมดไปเสยเยเวลาจึงว่าเป็น คนสำนึกตัวเองอยู่เสมอมันเลยไปตรงเอากับคำสอนของพระเจ้าว่าท่านจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถอมนั่นตรงกับคำสอนของพระเจ้ากัานว่าให้เจริญสติจเจริญก็แปลว่าทำให้มากนั่นเองเจริญสมาธิสติก็แปลว่าคมละลักได้สมาธิก็แปลว่าตั้งใจ ปัญญากว่ารอบรู้ผมสิ่งสิ่ ง, งววนี้เหาาวาวิดแต่เหบาบวได้เข้าใจเมื่อบวกเข้าใจแล้วาก็เลยบุได้ทำตามสิ่งนั้นผมเองที่แรกกับบกเข้าใจบวกเข้าใจกท่เทนึกว่าทำไปตามธรรมดาประเพณีบ้านเมืองธ เมื่อมาทาอย่างนี้มันเกิดความซาบซึ่งตึงใจให้ว่ารับรองได้ว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ถ้าบาทธรรมเรื่องนี้สิ่งนี้บุบปรากฏเขาว่าปากฏนั่นมันมันต้องมีการเขย่าตัวเขาให้เขาลูให้เขาเห็นให้เข้าใจให้เขาสัมผัสกับสิ่งนั้นได้ทุกระยะทุกเวลาทุกวินาที เมือ่อเขาถูกบ้านเนี่ยคารถูบ่อยๆมันใสมันสะอาดขึ้นมาบันนี้เขาทําความรู้สึกตัวเขาเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามมันก็เลยรู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะรูรูรูหนามนี่แหละโอ้รูหนามนี่มันเป็นอย่างนีง้เลยแล้วลเกิดขมรักคําว่าขมรักนั้นมั น, ม, นมันคิดถึง พอดีมีเรื่องอะไดมันเกิดขึ้นมามันคิดถึงระดับบันนี้ก้อนศิลป์อันนี้มันต้องถาอันนี้เพือศึกษากับธรรมชาต ร, ร์ของจริงคนเราจะนั่งอยู่นิ่งๆโบได้จะดีนลนอยู่กับโบได้มันเป็นจังหวะเป็นจังหวะอยู่บันเนี้ยก็เลยมาสร้างจังหวะหาวิธีอย่างที่พระพุทธเจ้าคุณสอนไ ว, ว้ว่าให้มีสติกําหนดรู้ ในอีรียบททั้งซียินเดินนั่งนอนให้มีสติเข้าไปกับตัวนี้แต่เฮาบุได้เคยกำหนดรู้อันนี้แต่เฮา ว, ว้าเป็นนั่งอยูบุมซึ่งนี่ก็เลยบุประโขขึ้นมาเมื่อรู้สึกในอีรียบททั้งซีนี่แล้วเพยังสอนอีกตืมให้เฮามีสติเข้าไปกำหนดรู้ ในอิริยาบถ ย, ย่อยทุกอิริยาบถเส้นพิษตาเนื้อทรายแหล่ขั่วก้มเงยเอียงทายเอียงขั่วหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้รทั้งหมดแต่ยาสุวาสั้นวายเหวียววาลมหนาบหลบละเอียดบาว่าให้รู้สึกซื้อพ่วมรู้สึกซื้อ อ, อันนี้มันเป็นยังไงมันจิตเปิดมันเอง พอเฮ็ดซื้อๆมันก็ต้องเป็นมาซื้อๆทำซื้อๆบ่ญเปนทำเพื่อหวังเอาอย่างสั้นอย่างสี่บ่ทำเพื่อปูษาพระพุทธเจ้ากระแมนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพันวาการปูษาพระตถาคตนั้นเมื่อเขาตอกดอกไม้ทูกเ ท, ทียนของหอมทั้งหลายนั้นบุญเป็นการปูษาพระพุทธเจ้าผู้ใดจะปูสา พอปุถุเจ้าจนะต้องพอคืบปฏิบัติธรรมให้รูท้ทำเห็นทำสมควรแก่ทำจึงเป็นการปูสาพระปฏิปเจ้าอันนี้ผมได้ยินได้ฟังมาจากปูบาจานแล้วเมู่เพิ่ง็คยได้ยินบงเรื่องรรนึงสิได้ยินอยู่อะแล้วความบูมุจกักว่าการปูสาปฏิปเจ้าจากไรจะได้บูมจักก็เลยมาทำข่มเคลื่อนไหวโอ้ เอิดป่วมลูปองเขาใจขึ้นมาคำว่าภูาพระพุทธเจ้าก็หมายถึงทำความตื้นตัวทำความรู้สึกตัวอย่างที่เพลินหวานสอนให้เขามีสติอยู่อันนี้เนี่ยมันเป็นเอกก็เลยรู้ทำเห็นทำแท้ๆทำมาบ้วนตัวอันอืนอ่นน้กตัวเหาเนี้ยเป็นธรรมะทาดีทํำซ่วนเป็นตัวเหานี่ทำโลดไปเดียวพูดดีพูดซ่วนเป็นตัวเหานี่พูดโหลด คิดดีคิดซัวเป็นตัวเฮานี้คิดโดยธรรมะคือ ต, ตัวคนคุกคนโบโยูเ่เป็นแต่เมื่อเขาโบเห็นอย่างซีจิตใจของเขาโบรักแล้วเมื่อเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจอย่างซีแล้วก็ขเขาก็คิดถึงอยู่เสมออันนี้เป็นว่าปัญญาเกิดขึ้นหรือว่ายานเกิดขึ้นหรือว่าตาทิพต์เกิดขึ้นก็ได้คันว่าอย่างซีโบเคยได้ยินบางคนก่นคันว่าตาทิพย์หุทิพก็ต้อง นั่งอยู่นี่มองเห็นจิดเห็นใจผู้อื่นหรือว่าได้ยินได้ฟังผู้อื่นเว่าอยู่ไกลๆพุดเนี่มันเข้าใจ อ, อันนั้นเป็นนิสัยของคนที่บ่เข้าใจเรื่องนี้มันเข้าใจเรื่องนั้นมันก็เลยลืมตัวไปผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเข้าใจถูกธรรมะนี่คือขนพวกขนบยกเวรผู้ยิ่งผู้สายพระทรงองค์เนนเป็นธรรมะ ว่าทำนั่นคือว่าการกระทำทําการทํางานอันหนึ่งพูดดีพูดซ้วอันหนึ่งคิดดีคิดั้วอันหนึ่งทำมีอยู่สามอย่างนั่นทาดีทํำซ้วแบบนี้ทําบูดีบูซ้ออีกที่แบนี้ไม่เป็นไรทําดีก็เป็นว่าธรรมะทำซ้อกับเป็นว่าธรรมะอันบูดทำดีบทําำั่วก็เป็นธรรมะนี่เอาต้องเบิ้งบูไม่เอาตานีนเบิ้ง มันมีสติมีปัญญาเข้าไปแทงเข้าไปเจาะเข้าไปันก็นเลยทะลุออกมาคำว่าทะลุออกมานี่แหละ ม, มันสาคัญคล้ายๆ ค, คือเขาอยู่ในห้องเขาเปิดประตูออกม า, าก็เห็นมัดสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แปลว่าเขาลูบคันต้ น, ตนเรื่องลูบนาลูบลูบนามลูบทำลูบนามทำ รู้รูปโลกรู้นามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังเจิตหัวปวดท้องต้องไปหาหมอกโลกทางจิตทางใจมีการฮักการสังดีใจเสียใจนี่ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้รู้เ <c oughs> มื่อรู้รูปโลกนามโลกแล้วก็รู้ทุกขังอันนี้อย่างอนัตตาสภาพความเปลี่ยนแปลงไปทุกอิเลียบทันเป็นทุกข เมื่อลู่ทุกข์แล้วก็ลู่สมมุติสมมุติที่สมมุติเทวดาสมมุติดีสมมุติซั่วสมมุติลัดวาอารามโมดวิหารมุณสมมุติขึ้นมาเมื่อสมมุติเนี่ียว่ารู้สมมุติแล้วก็ลู่ศาสนาศาสนาก็เป็ว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ไงผู้ได้ลู่เรื่องอันใดนํำเรื่องนั้นมาสอนบริเวณพุทธศาสนาศาสนาจึงมีหลายมีศาสนาที ศาสนาครามศาสนาเทวดาหรือเลือกงามยามดีมูนี่เมือ่อเราไปแตะต้องเขาเป็นศาสนาทั้งนั้นวันนี้พุทธศาสนาเปโวทีพึ่ ง, พ, งพิ่งบุได้สิ่งหก็เลยลูศาสนาคือคนทุกคนพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนนั่นแหละเป็นพุทธ พุทธะจึงไปออกผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานด้วยธรรมเลยรู้อันนี้เมื่อรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บากรู้บุญลงผลอื่นจีรู้จังไดบุหุจักผมเรื่องอย่าพอรู้อย่างสิรู้อย่างี่จึงนําเรื่องอย่างส่มาว่าบ้าปก็คืองโง่นั่นแล้วคืออยู่ที่มืดนั่นแล้วบุได้เห็นอย่างแล้วเห็นแต่สิ่งที่เราบุาเห็นนั่นแล้ว หูจะสิ่งที่เราบุหูนั่นแล้วบัด น, นี้บุญนี่สบุญเห็นสิ่งที่บุเคยเห็นรู้สิ่งที่บุเคยรู้สว่างขึ้นทางจิตใจบ่เม็นสว่างคือว่ามันเป็นอย่างนั้นสิบุเป็นคือคล้ายๆคือของอยู่ที่โน้นติดไฟขึ้นแล้วมันสว่างขึ้นมาบัด น, นี้เมื่อจิตใจหอบหลุดพ้นจากหัวมืดมันก็นสว่างขึ้นคือบุเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นรู้แจ้งรูจริง สร้งเกาล่วงภาวะเดิมอันนี้เป็นวิปัสนาวิปัสนามันต้องรู้อย่างนี้ผู้อื่นจะรู้อย่างไดบุคคลเจ้าเขาเลยพวกมีกรมพกขอสิ่งเหล่านี้เนีย่ยเกิดคมหลักขึ้นมาเลยจึงว่ามันมีวิธีการวิธีของมันก็เหตุจังหวะเห็ุจังหวะนั่งอยู่กับเก็บมือเข้าเอามือออกวิธีลุกก้อนที่จะลุกก็มีวิธี โบไม่จีนลุกปุ๊บปั๊บเอาอย่างนั้นวิธีนั่งก็ต้องมีวิธีเจียมมีวิธีการทั้งหมดลุกก็มีวิธีลุกอย่างนั้นลุกอย่างนี้นั่งก็มีวิธีนั่งอย่างนั้นนั่งอย่างนี้เดินก็ต้องเดินคอยไปคอยมานอนก็มีวิธีการทั้งนั้นอย่างนั้นพวกเขาถ้าจิตศึกษาันจริงๆก็ต้องหาวิธีการรู้วิธีการจริงๆเนี่ครับ ใส่ได้เอเมื่อมันรู้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดขมลู่แปลกๆขึ้นมาขมลู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาที่หลังนี่เป็นผมลู่ของวิปัสสนาลืมตัวบ้างเลยบุรุษกำหนดตัวเองเข้าไปในขมคิดเมื่อเข้าไปในขมคิดแล้วขมลู่มันจูงไปหรือดึงไปลากไปบุได้เห็นต้นตอของขมคิดเป็น เมื่อเราเดินไปเดินมาหรือสร้างจังหวะไปสร้างจังหวะมาหรือสรให้เจตสนาตารางมันเกิดรู้เห็นเข้าใจต้นตอของความคิดนี่วิธีของมันนะวิธีทางคิดแบบจิมว่าแบ่งจิตก็ได้หรือว่ามันหักเป็นเองเมื่อลูกความคิดแล้วก็บร่งความคิดเมื่อเบิ่งความคิดเอาสติหรือสมาธิปัญญาคอยดูความคิด บ้ต้องไปติดตำหนักตำราบ้าต้องไปติดสิ่งที่สมมุติบ้เอาบ้าติดยกเลิกเอาไว้หันคนที่บ้หูให้เขาเห็นอยงตันคนที่เราหู้เราเข้าใจแล้วเราก็โบ้ไปทำลายสิ่งเหล่านั้นแจ้โบ้ไปทำลายแจ้ก็โบ้ไปติดติดแนบแน่นฝั่งอยู่กับตัวเองคอยดูจิต ด, ดูใจตัวเองนี่นี่เป็นกานปฏิบัต พระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าคืออย่งพระพุทธเจ้านั้นบนเป็นรูปลางหางเคียงอยังตัวจิตใจโบกเกี่ยวค้องอัะไรทั้งหมดจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจราบลืน้นอันนะั้คือพระพุทธเจ้าสิ่งสิ่งนั้นมีวัดทุกคนเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นี่คันนะพูดถึงนี่เป็นอะจิตใจโมกุนเดี๋ยวนี้ โม่ไม่ออกหปือในจิตใจไม่เป <unky> ็นในจิตใจโม่จอโม่เสยๆพูดอะไเป็นอย่างไดี๋ในจิตใจบุ้จับใจตัวเองเนาะก็ต้องเบิ้งใจตัวเองไห้ ถาเนี่ยถามผมจริงได้นีหรือดี น, นี่ถ้าผู้ใดเป็นัานแหนกจึงได้หุ่นักบุญเนี่ยพราะทิมองเห็นจิตใจพนผูนมิเนี่ยเพียงเราสู้ฟังซื่อๆแล้วก็ถามถ้าหากผู้ใด จ, จิตใจยุ่งวุ่นวายอยู่นั่นจิตใจทุจิตใ จ, จเป็นอกุศล จ, จิตใจเป็นบาปบันนี้ยค่ถ้าหากจิตใจมันซื่อๆอยู่ซื่อๆ อ, อ, อยู่เี่ย คนว่าจิตใจยอยู่ซื่อจิตใจยุ่ยเฉยไปทําอย่างไงให้มันเพาะเหาเจริญสติผี่เขาเบิ่งมือนผิดนี่คนว่ามันจิตใจซื่อซื่อจิจยอยใอจตใจเฉยเฉยนั่นคันว่าภ า, าษาธรรมะคนเอื้ออุเปกขาวางเฉยเลยและมันมีอยู่ในคนทุกคนบ่มีที่เลือกสั้นวันละใ น, นตระกูลคนร่าคนรวยคนมีผมหูบ่มีผมหูบ่มีผมหู บ, มบม่มีมืด คนทุกคนจนก็นมีคนร่ำคนรวยก็มีบัด น, นี้เ่าวโเจริญสติแบบนี้บมายถึงโบเหตุแบบนี้ไปเรียนหนังสือบางมากที่เป็นบ๊อบโบปิดมีเงินหลายๆไปซื้อเอาได้บ๊บโบไรมันต้องเฮ็ดแท้ถูกหลักมันมันยังเป็นเมื่อเบิ้งเห็นผมคิดอันนี้เลยบัด น, นี้มันคิดขั้นแรกก็ต้องคิดจากลอยเรื่องพันเรื่องเราจะรู้จต่เห็นจะเข้าใจเรื่องเดียว แบบนี้มันสั้นเขา้าสั้นเขา้าผมคิดนะเขาก็มีปัญญาไหวเขา้าไหวเขา้าผวมสลาดของสติสมาธิปัญญามันก็ไหวเขา้าไหวเขา้ามันคิดมา่งปุ๊บเห็นปับ๊บเหมือนแมวกับหนูหนูออกมาแมวมัจับปั๊บหลุดหนูมันซอกตายเลยผมคิดนั่นก็คือการเพราะเด้มันคิดมาองเห็นปับ๊บมันทุกอหยุดหลดเมื่อเบื่องอันนี้แหละเขามันก็เลย คนไปคนไปจากอบคิดอะนรอบคิดอนันอตนนปฏูกทั้นเขาหมดไปเรื่องโทสะโมหะโลภะเมันเลยม า, มาจือจางกับที่ตรงนี้เมื่อโทสะโมหะโลภะเจือจางลงแล้วเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณบุปทุกเขาเอื้นลูกซี่อะไรขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังข า, วารขออนนวาิญญาณบัดนี้ นามลูปบป็นเออเอือนนามลูกคือตัวนามนั่นแหละมันคิดมันเป็นลูกขึ้นมาลูกผมคิดคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทั้งนามและเป็นทั้งลูกมันเป็นลูกเออลูกสี่ลักษณะนั้นขว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงจากขุมเป็นคนกิตใจเปลี่ยนแปลงจากขุมเป็นมนุษย์ขึ้นมาสู่วุมเป็นเทวดาเป็นพระขึ้นมา หรือเป็นพระ อ, อินพ์พอะมขึ้นมานเป็ น, นะะแต่คณอื่นจิตเป็นสัตวใดโบหุจักแต่สำหรับตัวเองรับรองโอ้ควมเป็นพระเหมือนเป็นที่ตรงนี้จิตใจมันก็เลยโบโบดูดโบซึมอัโทสะโมหะโหนภะ ผ, ผมยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ค่อยๆลดน้อยไปเรื่อยๆ การทําบุญให้ฐานรักษาสิ่งเจริญสมาถะเจริญที่พัฒนากว่าตาถ้าหากบูมาแก้ไขบทนี้เราทุกน้อยบูทุกหลอันนี้แหละคือวาทางไปหาพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างตันแล้วก็ทําจังหวะไปเดินจมกมไปเลยเข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานเขากิเลส มันเป็นคืออย่างไม่อย่างเหนี่ยวนี่กิเลสตัณหามันยากอุปทานมันเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นทำไปว่าสเสวยทุกสเสวยสุขเนี่ยคันเมื่อเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นไปแบกอยู่นสั้นมันก็ทุกแล้ววางแบบนี้วางหกกระโบ่ซนจา ก, กสิ่งนั้นแล้วก็มาโนใจเบิง่งตั้งแต่การเคลื่อนไหวเอาลือมันคิดมาก็คิดไปเลย ีมันก็จืดไปจางไปมันก็รดไปลุดไปเป็นห่งเปียบอุปมาให้ปล่องฟูๆน้ำสีแต่ก่อ น, น, นมันมีคุณภาพร0อยเปแล้วเต็มกระปอ๋องถ้าเป็นสีดำอกไปยอมผ้าขาวผ้ามันดำมดัดมันจุกมันจินเอามันดูดออกเป็นสีของมันมดัดเมื่อมาลู้มาเห็นมาเข้าใจอย่างนี้แล้ว น้ำสีปริมาณมาเต็มกระปองคือกันแต่คุณภาพบุมิเอาไปย้อมผ้าขาวถ้าเป็นสีดำมันก็บติย่างมันติดก็พอเป็นมนเล่นเรื่องดำ น, น้อยๆเท่านั้นหรืออาจิโบดำ น, นะ น, นี่น่ะเป็นอกันอันนี้ก็คือกันเมื่อเราเห็นมันอยู่เรื่อยๆ ร, รู้จักฟื้อเสี่ยงมัน เห็นหน้าตาดั้งเดินสภาพของมันเป็นอยน่างซี่เน่ากลาบุตรธรรหลายห่อได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้วัดสภาสพสภาวะดั้งเดิมคือกันมัดม่วผิดกันเพป่นจึงว่าเราตถาคตผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนี้แล้วแหงนั้นแล้วก็จึงนํามาบอกมาสอน เราให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือทั้งหมดทุกคนคนนี้บวชพิปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้านั้นก็จะรู้จะเห็นยัง่งเราตถาคตนี้ถ้าหากบติบวชปฏิบัติตามย่างเราตถาคตแล้วจะไม่เห็นจะไม่รู้จะมาเข้าใจย่างเราตถาคตดังนั้นเราทําบุญให้ทานรักษาศีลทุกวิธีเขาักเห็นพระพุทธเจ้า เขาอยากไปหาพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่ได้ทําวิธีการอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเหตุนั้นเพราะเข า, างไปเหตุตามอารมณ์เขาอยู่นี่เป็นอย่างไรเม่อวลักษณะนั้นคนว่ามีมารยาทว่ามีกิริยา เ, เพื่อจึงให้ฝึกหัดกิริยามารยาทการนั่งการนอนการเดินการกิน ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้มีกิริยามารยาทฝึกหัดปบรมตัวเองนั่งตรงนั่งตรงตรงฟังดีๆต่ฟังดีๆเพราะว่านั่งบดูดีฟังกระบดูดีนี่มันที่ฟังดีจังแต่กมันมันเฮ็ดไปทั่วๆไปเลยมันบม่ได้ตั้งใจฟังนั่งนังได้ไง น, นั่งก็นั่งอย่างนั่งเสียหนักก็นั่งแล้วบางคนก็นพูดครับ เพื่จะได้เนี่มันบูรณาตั้งใจควรมตั้งใจบ่มีนะเพื่นว่าบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีตั้งใจมัน่นเะนั A ่นเอี e ยงไปตามอารมณ์นะเนี่ยเพื่นว่าเป็นอคติของ อ, อ, อนะูษณ์อภูษณ์เพื่อนเอินว่าบาปอะไ่แทงเขาเอิญว่าเฮ็ดบูดีเฮ็ดบูดีเฮ็ดอันเนื่อนั้นเขบาบุรีเบิงผู้อื่นเลยมันก็เฮ็ดไปตามนิสัยภาวะเดิมนะั้นเพื่นยังว่าสภาพสภาวะเดิมคือกันรมด มันชอบให้จำสั้นแล้วเพื่อจังว่าให้ฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแป่งเป็นรอยต่างเมื่อเขามาฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแป่งสิ่งพีชสัวลายสิ่งพี่บดีนั่นน่ะออกแล้วก็สิ่งที่ดินก็นคอยเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เหมืนคล้ายๆคือเขาเอาผ ล, ลไม้เม็ดคือต่างๆไปเพาะในดิน เอาไปพ่อจิตมาปลูกลงท่านแล้วเกิดเมื่อ น, นั้นวันนั้นบัวใดมังค่อยแฝกซึงขว่มเย็นขุ่มฮอนเลือดดินกับคนลไมมันขุมปุบปุ้นแตกเข้ากันเออซึ่มเข้ากันแล้วกันแตกออกมาเป็นเบี้ยเป็นนอหรือเป็นต้นเป็นลำทำดอกออกผลไม้เขาได้กินได้เท็การเจริญสติแบบนี้ก็คือกันรับรองรอยถึ้อยทีเดียว จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือยังเพิ่งว่าพ่อแม่เพิ่งว่ายอมเสียสละทรัพย์เพอรักษอาอวัยวะทุกส่วนเมื่อเป็นโรคขึ้นมาหมอกอว่าบ่ได้ต้องตัดทิ้งหมยอมเสียสละอวัยวะนี่嘛เพื่อรักษาชีวิตแบบนี้ชีวิตนี้ขอไวแบบนี้เอ้าถึงว่ามีผูดด้ใดว่ามันผิดอะไรสิเงเสียสละชีวิต เพราะรักษาข่มจริงคือสัจธรรมนั่นเองแต่ว่าธรรมะนั่นคือคนทุกขดอยู่กับคนทุกคนสุดแล้วแต่บุคคลคนนั้นจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาหรือไม่ถ้าคนคนนั้นโบทําทให้ปรากฏขึ้นมาโบทําทวิธีนั้นเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นกับโปรากฏเมื่อทําสิ่งนั้นในจีตเป็นยังไงเป็นอยกระสรงมันต้องเป็นจริงๆเรื่องนี้ เราต้องเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆสภาพสภาวะดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไดงเราจะได้รู้เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าฝึกจังว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยบ่นนี่สัตว์ทั้งหลายในบุญสัตว์ในละสัตว์สัตว์นตมนุษย์นี่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตว่าจังซี่คนบขเข้าใจบ่นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคต เหมือนกันเราจะถาคดเมื่ออย่างบรุรุ้บ่เห็นบวกเข้าใจบริีสาบซึ้งกับสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์มืดบอดบุรุจักท็จฐานเมื่อเราจะถาคตเไปรู้ไปเห็นไปถึงแล้วสภาพหรือสภาวะบ้านอันนั้นเมืองอันนั้น แล้วก็นํามาบอกมาตอนพวกเธอทั้งหลายจงทํำยังเราตะถาคตนี้ขอพิสปฏิบัติยังเราจถาคตนี้เมื่อทํำยังเราตถาคตแล้วขอพึสปิบัติยังเราจถาคพจแล้วจะรู้จะเห็นจะเข้าใจยังเราจถาคตนี้จะว่ามีทุกยังเราตะถาคตนี้แหละดังนั้นข่มทุกข์ข่มเส็ง ผมเศร้าหมองนึกวมเดือดร้อนสับสวนวุ่นวายเกิดขึ้นนั้นเพราะเขาโบเรศปฏิบัติตามแบบพระเจ้าเขาเพียงแต่ว่าให้ฐานรักษาศีลหรือทํากรรมฐานเจริญปัญนาบทใดบทหนึ่งก็ตามเขาเว้าเอาซื้อๆพอจิว่าเจ้าได้ก็ได้บุญมันโบ่ถูกคือแบบพระพุทธเจ้านั่นเองมันจีบให้แบบพระพุทธเจ้าได้บอก เมื่อเขาปฏิบัติเขาเฮ็ดไปแล้วมันพูกตามแบบพระพุทธเจ้าเลย่านสื่อนั้นก็ปรากฏขึ้นมาให้เขาได้รับผลจริงๆอันนั้นแหละคือว่าเขาได้ทําตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายูยใส่เขาทีไปเห็นจริงๆเคล่นว่าลักษณะเดี๋ยวนี้นี่แหละขาต็ต้องพูดให้ฟังเนีย่ยพราโบมีหูที่ผู้มีสาธิพย์ ภูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยพอมีตตแตแสดงออกมาแล้วเนี่ยพอผู้จักถาจิตใจมู้เพิ่นเป็นเสงไหนเดียนี้ทั้งหมดทุกคนนี่วันผู้ใ ด, ดเป็นยังไงว่าบ้งลูกผู้ใดเป็นยังไงโอโบผู้จักไม่เอกเอามปนู่น บุหู่จักขาดไปแล้วเราไปหุ่จักยังไพระรไปสอนเขาได้เขาบหูจักฟังยืดซื้อไบุหู่จักคนที่คิสอนกับบุหู่จักบุหู่จักคิดสอนเนื้อแด้หนึ่งแล้วเซย์ยอะเด้อกเสย์เลยเนี่ยเซยบุหู่จักอันนี้แหละคนวางบ้ได้ทำตามแบบพระิเจ้าพระเจ้ามันถาดนี่ขามเนี่ยเป็นนาสนที่ตกับแก้ให้ดูอันนี้เขาเยเยอะเพิ่อนกับ่บจักอนนแกา้ได้พระริเจ้ามมุติเู้าอันารนี่ขาดเนี่ยป็างนาี่ต้อกแก้ พอจะคมจีซอสอสบุปผิดพอเขาบุกเขาจับคนไ่ได้มองเห็นใจเขาเล้เขาเปเจาหูทิพนไม่ได้ไปวังแล้วเพิ่งวังปูปูนั้นติดอยู่ในทเอ้เพิ่นกัแก่เพิ่งยังว่าถามถามเอาซื่อๆนี่นะถามแล้วเพิ่งกาแสดงให้ฟังสดให้ฟังแล้วกบโอ้มันเป็นอะไรบอก ให้เห็นยังกันะแต่ควร อ, อ่วางนิสัยคนนั้นโบ้คือกันจะริบของคนโบ้คือกันสติปัญญาของคนบ้คือกันเปสภาพสภาวะจิตใจอันวันกโั้คือกันมดเพราะยังมาเมื่อเหาทําจังหวะหมดไปมันจะวางอารมณ์ ม, มดวางมดว่างเปล่าบ้ไม่ว่างโดยดูมีสติปัญญาเนะี่ยมันเห็นใจเห่าหลุดคนจากภาวะทุกสิ่งทุกอย่าง มันเห็นมันรู้กันเข้าใจโอลักษณะมีแน่บนอวิิตคนแล้วจากสภาพหรือสภาวะอันใดปรุงแต่งมาได้อีกต่อไปนี่เพิ่นเห็นคุณเลยพุทธเจ้าเพิ่นเห็นหอกก็ยังมาสวดอยู่นี่จิตเราถึงที่สุดแล้วสภาพสภาวะอันใดปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเพิ่เเ น, น, น, เ, น, เ, นเห็นอันนี้ทีเดียวพระพุทธเจ้าเจ้าเมืองอันนี้แหละ เราไปถึงแล้วแห่งนั้นเป็นตัวบ่บว่าโบเนเดินด้วยเท้าบ เ, นเนนบนโดนเดินด้วยรถยนต์โบเบนเดินด้วยเครื่องบินเพิ่นเบิ้งจิตเบิ้งใจเพิ่นสภาพ